กำลังปฏิบัตธรรมกันการปฏิบัติธรรมก็เป็นการพัฒนาให้จิตของเรามันยิ่งๆขึ้นไปก็คือไตายจะ ก, ก็คือไปสู่ความไม่ทุกข์นั่นแหละจากผีผีก็คือบางทีล่างเป็นมนุษย์นะนะ อันนี้มันจบหลอกจอบหลอนนิดหนึ่งบานะทีเชื่อว่าไม่มีรูป่มอกันนะเป็นหน้าของจิตวิญญาณที่นะเล่นลอนสัมภเวสีพีเนะยอยกให้เป็นคนนะคนละมวนนิดหนึ่งอะไรก็ว้าหมดคิดอะไรก็ได้คนดีก็เอาชั่วก็เอา จะค น, นพัฒนาขึ้นมาอีกจิตส่าเป็นมนุษย์นมนุษย์ก็มีสุขมีทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์ให้ได้เรียนรู้รับรู้พัฒนาไปเป็ น, นปัญญาช น, นกายานปุปทิชนและอริยช น, นก็ต้องทำมงคล38ให้เต็มพร้อมทีเดียว ไม่ใช่มงคลตื่นข่าวข่าวที่ไหนก็ตื่นต ม, มก็ว่าดีก็รีบเชื่อว่าไม่ดีก็รีบฟังแล้วก็เชื่อต้องฟังหูไว้หูให้เวลามันตพิสูจน์หนทางพิสูจน์มา ก, การเวลาพิสูจน์คนการสร้างความรู้สึกตัวใค ไ, ได้เห็น ยังมาชา้าว่าการถอดรหัสถอดรหัสจิตของเราเนะี่ยมันมีรหัสเยอะมากควบคุมต่างๆมันก็อยู่ด้การบหมืวัดป่าสุกโตนี่แหละมากมายละเกินก็มีเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็เห็นประโยชน์ประโยชน์ตรงไห น, นที่มาว่าแล้วทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมาแล้วใ จ, จสบายได้ทําบุญ ปลูกต้นไม้ก็มีความสุขมาล้างสารพิษมาช่วยงานสารพิษมีความสุขทำดีอยู่กลัวมีความสุขปลูกต้นไม้มีความสุขทำงานปลูกสร้างกอ่อสร้างตกแต่งมีความสุขเป็นการทำดีถึงพร้อมทำภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละบุคคลนั่นแหละขนานหมายถึงว่ากำลังทำมงคลสามสิบปด ให้สังเกตใครปฏิบัติทำแล้วก็ทื่อๆนะเหมือ น, ะนก็บหยุดก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้สแสดงเราต้องกลับมาที่มงคลสามสิบปดบางทีปฏิบัตินมันจะทื่อๆง่วงงวงง ง, ง, งทำมันก็ไม่รู้อะไรไม่ทํามันก็ไม่ได้มันก็จะถอยให้เสื่อมหยุดก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้ mm hmm. ก็เลยทําไปแบบมึนๆนั่นนะทนะื่อๆ อ, mm hmm. อันนี้กลับมาทบทวนเรื่องมองคลสามสิบปดทำดีถึงพร้อมเลยอย่าง เพรอารมณ์ปฏิบัติเลยสังเกตได้ชัดนะแต่พื้นฐานของจิตที่มันทําดีมาม้าง ม, มาเป็นบุญนะมันยกไม้ยกมือเดินโยกรมมันมีตาปิติทั้งนั้นอนะ่ะคิดปั๊บก็เป็นเรื่องความสุขเรื่องความดีความงามใ จ, ม, จ, ใ จ, ใ จ, ใใจมีแต่จะให้จะให้จะให้แรงกายแรงใจมีแต่จะให้จะให้เกิดปิติบ่อยเดินไม่ต้อะไรก็นคนลุกขนพองสุสาสุสา ต, ตัวเบา โลตาจิตตาโลตาว่าคิดที่ไหมัเป็นบุญพื้นฐานของจิตมาอย่างนั้นเห็นแต่ลองรอยดีๆความภาคภูมิใจต่างๆมากมายล้วเกินคนมันดีมองไปทางไหนก็มองแต่แง่ดีเท้านั้นเห็นอะไรก็น่าทำน่าหยิบน่าจับไปหมดเราคนทำดีในการก่อนเราก็รู้สึกตัวขณะที่มันเกิดอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆขึ้นมา เราคนใจบุญมีลมบุญนึกถึงนะเทปนี้ดีจังคําพูดนี้ดีจังถูกใจหนะังสือนี้ดีจังนะอ่านแล้วน่าสนใจนึกถึงคนถึงคนที่เรารักเหนะมือนกับคนเห็นอาหารดีๆมีลูกนะมันจะกินมันก็กินแทบไม่ลงรนะบประทานแทบไม่ลงอยากเก็บไว้ให้ลูกให้เต้านะนึกถึงแบบนั้นรักพ่อรักแม่ก็เหมือนกันเนะมื่อ อยากเก็บเอาไว้ให้พ่อให้แม่แล้วเป็นประโยชน์ต่อตนประโยชน์ต่อญาติประโยชน์ต่อโลกสรรพสัตว์สรพสิ่งมันมีอยู่การเปร็นธรรมมันพาไปแบบเนี้ยถ้าใครบอกว่าผิดก็เออถ้าผิดก็อย่าปฏิบัติเลยมันทําดีไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันต้องเฉยเฉยจิต จ, จืเหตุอะไรก็เฉยเฉยจืดจืดเห็นคนตกน้กําก็ต้องช่วยเว่า อ, อย่างนั้นไม่ต้องปฏิบัติทำดีกว่า มันเท่าก็าว่าใจจืดใจดำํำก็เรียกใจจืดใจดำมันไม่ใช่ใจไปแล้นาะคนมีพลังแล้วก็ไปแล้วหนาของปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการปฏิบัติธรรมจะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันอดไม่อยู่หรอกมงคลสาสิบแปดคนขาดสิ่งไหนย่อมหาสิ่งนั้นเติมแน่นอนมันขาดบุญบารมีตัวไหนไมันจะไปหาสิ่งนั้นะ มันอิ่มตรงไหนมันหิวตรงไหนไไปหาตัวนั้นนะเวลาเราก็สังเกต ด, ดีๆความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะมันคือความรู้สึกตัวนะส่วนตัวจิตคิดนะมันปรุงมันแต่งว่าตามพื้นนะของจิตนะเดี๋ยวเพราะการทำํำนะที่เป็นกรรมที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงนะการกระทําที่เป็นกรรมนะกรรมหมัดกัดฟันกรรมไม้กรรมมือกรรมมีดกรรมปืนเนืนะ่องจากจิต ที่มันหลงหลงในการกระทำา ก, การกระทํามันกรรมหรือว่ากรรมมีดกรรมไม้กรรมจอบทําดีจิตมโนกรรมมันดีมันก็ทําดีคิดดีคิดดีมันก็ทํา ด, ด, ดีคิดดีก็พูดดีมันก็แสดงออกขณะที่เรารู้สึกตัวยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมหรือว่าทั้งวันนี่แหละเดินไปไหนมาไหนเจอ อารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นจิตมันก็ไปรับรู้สัญญาความทรงจําได้หมายรู้นะโดยสมองโดยประสบการณ์โดยจริตนิสัยจิตวิญญาณมันก็รู้ได้หมดแสดงออกมานะพื้นเดิมของจิตเรานะมองแง่ดีก็มองอะไรก็แง่ดีมองแง่ไม่ดีก็มองอะไรแง่ไม่ดนะีเห็นถูกเห็นผิดนะเห็นจน ก, กระทั่ง เชื่อสนิทเพราะว่าไม่รู้สึกตัวฐานกายไม่ชัดเจนเชื่อสนิทในความคิดเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้เป็นเช่นโน้นเสรจแล้วก็เลยหลงเผลอไปเมื่อเราปฏิบัติตามเราเห็นแล้วโอ้มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ฐานกายไ ม, ม่ความรู้สึกตัวที่ฐานสติมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวในขณะที่เราคิดเร า, าหยุดทันทีแต่พัดันคิดปั๊บ นะรู้ทันทีหยุดทันทนะีไม่ปรุงทันทนะีไม่มีความพอใจไม่พอใจทันทีนะมันชะ ง, งัดนะมันเป็นนะครอบจักรวาลในความรู้สึกตัวที่ฐานกายนะตัดลงทันทีนะมโนกรรมจะคิดจะปรุงจะแต่งนะจะดีการก่อนขนาดไหนจะมีความสุขขนาดไหนก็ตามมันเป็นแค่ซากความสุขเก่าๆที่เราไม่ได้ เก็บเอามาเป็นปัจจุบันแล้วก็มาเสพจนทําเป็นความภาคภาูมิใจยิ้มเกิดปิติมันผ่านมาแล้วตั้งหลายอาทิตย์หลายวันหลายเดือนเดี๋ยเก็บมาสมัยก่อนเคยดียะนั่นดียะนี้ดีอยะโน้นมันมเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีนะบวชตอนใหม่ๆมันก็นึกนึกถึงเราทําไม่นั่นทําไม่นี่ทําไม่น่นทําไม่นั่ น, น, นเป็นไอ้นี่เป็น ทำดีแบบนั้นแบบนี้แบบนัน้นือนกันเนิกนะแล้วก็มันก็บอกว่าเ อ, อเราเนี่ยปฏิบัติทำเนี่ยมาบวชเนี่ยท่ากไม่มีอะไรนะมันเหลือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จะเริ่มต้นยังไงนะไม่มีอะไรสักอย่างดูซิมันจะเป็นยังไ ง, ไงนะทำอะไรเป็นบ้างหยิบปากามานะจดกร ะ, กะดาษทำอะไรเป็นบ้างทำดีในชีวิตเราเคยเรียนรู้อะไรที่ทาดี เราก็ทำให้กับผู้อื่นได้แล้วก็ยอมรับที่ผ่านมาก็เอามาจดนะหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบมันจดนเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าสึกไปมันคิดแบบนั้นเลยนะขณะบวชก็คิดเรื่องสึกขณะตอนที่เป็นญาติโยมคิดจะบวชเมื่อ น, นเวลาปฏิบัติธรรมตอนที่ไม่ได้ลงกรรมฐ า, านในรูปแบบมันก็คิดจะมาทำในรูปแบบพออยู่ในรูปแบบมันก็คิดจะไปทาอย่างอื่นอย่างเนี้ย เป็นไหมปฏิบัติตามความคิดมันลากไปลากมาลากมาลากไปเมื่อทำอะไรได้จริงจริงมันไม่ใช่เวลาเฉพาะหน้านะนเฉพาะหน้าคือเราทํากรรมฐานอยู่จริงที่เราทําส่วนใ้สิ่งที่เราคิดนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นอดีตเราก็ไปลืกรวงอัศรารความสุขเก่าๆมาเสพเมื่อแล้วก็แล้วไปมันไม่แล้วใจสักที แต่ประเด็นเราก็ไม่ยึดติดนะในความดีที่เคยทำมานะถึงว่าจะเป็นร่องรอยของความคิดทาให้เกิดปิติคิดแล้วสนุกนะเดินได้ทั้งว่าแต่เดินไปคิดไปนะมันจะมีประโยชน์อะไรกับการเดินทางนะในการที่ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อถึงธรรมเพื่อเกิดสติปัญญานะสติเป็นสติปัฏฐานถึงนะเป็นการสัมผัสรู้สัมผัสรู้ที่ฐานกายเนะี่ยมันเป็นเรื่องของ สิ่งที่เรากำลังฝึกหัดจิตของเรานะแต่เพราะนั้นมันจะเป็นมงคลอะไรขนาดไหนนะถ้ามันไม่ใช่ความรู้สึกตัวขณะที่เคลื่อนไหวนะเดินจงกรมแล้วนั่งสร้างจาังหวะเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมันมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ที่สุดนะของการที่เราจะได้นะออกจากโรคมนุษย์นะติดสุขติดทุกขนะ์ออกมาเหนือนั้นไปอีกนะจนทั้งมัน เห็นความคิดตามความเป็นจริงที่ปรากฏมาเป็นเพียงแค่มายาเฉยๆมันไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดเป็นแค่อาการของจิตไม่ใช่จิตนะความคิดไม่ใช่จิตแต่เป็นแค่อาการของจิตจิตเดิมแท้ดิมประพัดสอนปองใสคือใจที่ว่างจากความหมายความเป็นตัวตนสิ่งเดียวกันเมื่อเกิดจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวบางคนก็อาจจะพอเข้ากรรมาฐานปั๊บนะ มันเหมือนกับฟืดขึ้นมาเลยมันก็ขึ้นเนินอยู่ๆมีความสึกเสียวแวบเลยเลวลงสะพานเงี้ยเสียวแวบเลยมีอาการแบบนั้นแหละจิตมันพลิกทันทีเยแต่บางทีเหมือนกับทื่อๆเหมันก็ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้อะไรแต่มันก็ได้อยู่เหมือนก็ขึ้นมาทางชัยภูมิเขึ้นมาสุขโตเงี้ยค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา จิตก็มาได้หวือหวาอะไรค่อยเป็นค่อยไปแต่บางทีมันอาจจะฟืดมันขึ้นทางแกนคอเนี่นนะมันอยู่ๆมันขึ้นดึงดึงดึงดึงดดึขึ้นมากระเซียวแวบแวบแวบแไปเลยมันยกจิตแบบนั้นเลยบางทีมันเหมือนกับจิตมันพลิกทันทีบางทีมันก็เบาผิวขึ้นมาทันทีเลยอยู่ๆเมื่อกี้มันยังหนักๆอยู่พลิกว้าบเลยเจอมั้ยอากาศแบบเนี้เดินอยู่ดีๆเนะมื่อกี้ยังหนักๆอยู่เลย บางที่ก่อนนอนยังหนักหนั ก, นกมึนมนอยู่เลยพอนอนหลับตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมเบาเอาลมที่ตกค้างหายไปไหนหายไปไหนนะก็ลองสังเกตเอาเมืนะ่อทีเราเดินจงกรมอยู่ในทางเดินอนันนะักหนักพอยกมือเ น, านาี่นักพอแวบออกไปเท่นั้นนะเบาอยิวทันทีเนะมื่อเกิดอะไรขึ้นพอเดินจงกรมรอบวัดอย่างเงี้ยชมนกช ม, มอะไเบาทันทีนะนะทําไมมันเกิดอะไรขึ้นมา จิตเราตากายแเราทำเกิดยังไงนะจากการพลิกนิดเดียวความง่วงเหมือนกันนะพอเรายกมือยิ่งยกยิ่งง่วงเดินจงกรมยิ่งเดินยิ่งง่วงนะขนาดเดินไกลท่านอนนะแล้วก็ไม่เกลเดินหลับมาก่อนพอเข้ากรรมฐานแล้วมันเดินนะหัวฟัดหัวเวียงบางทีซุดกาอากาศเลยเดินยจงกรมเนะ่ยซุดเจอหรืออย่างอาการแบบเนีนะนะนะ้มันบอกถึงอะไรนะมันบอกถึงนั่นแหละ อารมณ์กรรมานเบื้องต้นเละพอออกนอกทางกรรมฐานนะเบาหวิวเลยจับไม่ควาดมากว่านี้ยเบาหวิวล้างออกน้ำนแล้วมันไม่ ง, ง่วงเลยเลยมันเบาสบายไปเลยเราก็สังเกตเอานะเราไม่นองติดกับอะไรทางนั้นนะม่ใช่เดินง่วงก็ไม่ชอบเวลาเดินกวาดใบไม้เบาชอบมันจะทําให้เราติดอย่างหนึง่งไม่ชอบอย่างหนึง่งพอใจอย่างหนึง่งไม่พอใจอย่างหนึง่งเสียเวลา ทุกอารมมันกำลังเป็นครูนะบอกทิศบอกทางบวกบวกล บ, ล บ, ลบนะเราก็เลือกตรงความเป็นปกตินะสังเกตนะตรงที่มันรู้สึกตัวแล้วก็ปกติมันมีอยู่นะใหม่ๆ ม, มันก็แวบๆมาประพิมพ์ประพายแต่ท้ายสุดเนะี่ยโหมันไม่ธรรมดาทีเดียวนะวันนี้ได้มีโอกาสนะนั่งนะตรงนี้แหละนะชานอาหารอยู่กับหลวงพ่อมเขียนหลวงพ่อมเขียนก็อยู่ๆก็มีนิมิตรตรงนี้เหมือนกัน นิมิตตรงนี้บอกว่าอาจารย์ทรศิลป์ชี้สบายก่อนนะให้สร้างหอไต่ตรงนี้ยชีย้หลวงตากรมก็ตอบรัตทันทีแม่ชี้ตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเลยนะตรงไหนเราก็ตรงนั้นเลยนะอาจารย์ชี้หลวงพ่อกรมทักเหมือนกันเสร็จเราก็โยงไปหาเยตโต้ยสลาเนี่ยตีสร้างว่านิมิตเยตโต้ยเยตโต้ยนี่คุณนายพิมพิ น, นันหลวงพ่อก็นั่งพูดที่คุณนายพิมพิ น, นันตอนนี้มันมาเอนิมิตตรงนี้อีกเหมือนกัน ที่พิ่งสดสดร้อนรอนผ่านกันไปเมื่อกี้นะี่คนานายพี่ไม่นันเนี่ยท้ายสุดเพิ่งใครไม่ได้ชีวิตฝากผีฝากไข้ไว้กับผู้พันแต่นะว่าเป็นมะลิงท้ายสุดเกษียณแล้วหวังว่าผู้ชายคนนี้จะมาดูแลแต่ท้ายสุดก็คือถ้าพูดไปมันก็น ด, ดูไม่ดีสักเท่าไหรนะ่แต่มันก็คือความจริงนะว่าหลังจากที่คนานายพี่ไม่นันตายหรือว่ายายต้อยตายนะ ผู้พันไม่ได้มาเผาผีอะไรเลยหลวงพ่อจัดการเลยหลวงพ่อแต่ก็มีเทคนิคนะนนเวลาคนคนตายหลวงพ่อนี่พอตัวทีเดียวนะเก็บศพยัดต้อยเนก็เอาถังนะซื้อมาปลอกสมไว้ก่อนก็ถูกๆนั่นแหละเดี๋ยวปลอกบอ่อปลอกซ่วมที่เราใช้กันนะใช้อยู่4ปลอกนะประมาณ2เมตรแล้วก็เอาฝาปิดหัวปิดท้ายเอาดินกลบเลยเอาปูนซีเมนต์ยา ก่อนที่จะวศพใส่ปลอกซีเมนเนี่ยนะเก็บไว้นะวิธีเก็บศพฝังเอาไว้จะเราให้ฟังไม่ให้เน่านะไม่ให้เน่าแกออกมาแล้วผิวยังเหมือนเดิมเลยอย่างงี้นะขนยังอยู่ครบเีย น, นะก็มีวิธีทำเพ่งมาเคยเห็นดี่นะภูมิปัญญาลักษณะของอาจารย์ที่เราให้ความเคารพปัญญาของท่านเป็นอย่างนี้เหรอเวลาเก็บศพเรียบง่ายประหยัด แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะเอาซีเมนต์ใส่ในโรงปูนซีเมนต์ผงเนี่ย mm hmm. นะใครจะจำไปใช้ก็ได้นะเวลาเก็บศพเสร็จแล้วเอาโรยโงก่อนสองลูกเสร็จแล้วศพเนี่ยวาง mm hmm. พอศพวางเสร็จเราอีกสองลูกโรยทับเลย mm hmm. ก็ประมาณ200กิโลเฉพาะปูนอย่างเดียวลูกละห้ลูก ไม่รวมหนักคนก็แบกกันหลังเอ็นนั่นแหละเสร็จแล้วเอาเก็บไปอย่างนั้นน้ําเหลืองมันก็จะไหลออกมาเวลาศพมันเริ่มที่จะมีน้ําเหลืองไหลรั่วเหงื่อความชื้นในตัวจะซึมออกมาก็จะทําปฏิกิริยากับปูซิเมนต์เสร็จแล้วปูซิเมนต์ก็จะเริ่มเคลือบทั้งหมดไอ้ที่เป็นผงก็จะแข็งโดนอากาศส่วนไอ้ที่โดนน้าเหลืองก็จะยุย่ยยุ่ย ย่อยยุยเสร็จแล้วนะเก็บไว้เลยปีสองปีงานนั้นแม่ก็มาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าเออจะจัดการงานศพญาติพี่น้องจะจัดงานงานศพงานเนี้ยเสร็จแล้วมาเผากันตรงนี้แหละ ว, วิธีเผาก็ไม่ยากตีลมเล็กเอตีโลเอลงเล็กเลกเข้าการนี้จะทำยังไงคนบรรยาประมาณเมตรหกสิบ ห้าสิบเจ็จเจ็จเกือบหกสิบตัวรวมมันยาวแค่เมตรเดียวทำไงโยมคิดออกไหมถึงจะเผาได้หลวงพ่อหักครึ่งเลยหักพับเลยขากับหัวนยมาเจออยู่ด้วยกันหักพับเลยเปาะเสร้วยัดใส่โรงเผาง่ายๆเลยกระดูก็เก็บไว้ใต้ทุนนี่แหละวันทำสารา พอเพลงมาขุดเจอรองจากเลยเจอกระดูกคนขุดโดนเอาหัวกระโหลกประเดะตรงนีนะ้กระโดดขึ้นหลุมแน่เสียเลยพอเพลงวัน ส, สร้างศาลาคุณให้ต้อยนี่ฝากผีฝากไข่กับคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ได้วันที่อาตมาไปเยี่ยมเนี่ยปรากฏว่าฟ้องสมัยก่อนที่เกียรติอาตมาที่สุดในวัดกระบาได้เพราะเราจะเป็นคนเดียวที่ชีว้ว่า ทำไมไม่รู้สึกตัวเนี่ยทำไมไม่ยกมือทำไมไม่เดินยงกลมออกรถ s ตาร์ได้โปรยได้ม e า ah. เงินเดือนของครูนะได้มาช่วงนั้น บ, เบาเดน็จบำนานก็ซื้อรถให้ภูพันกับโกมากเจ้าขับรถไปเดี๋ยวก็เข้าออมาเดี๋ยวก็ไปวัดนั้นแล้วก็เข้าออมาอ้เราก็เออนอคนอยู่วัดอยู่ว่าไม่ไปนบีบัดทำเออน่าเสียดายไอ้เรากาลัง ข, งของขึ้นร้อนวิชาไฟแรงในยกนั้น บวใหม่ๆกะล้างแหมมันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมไม่ทำกันอยเงี้ยน่าเสียเวลาชีวิตกันมา ล, ลุกรู้สึกตัวยกมือสิบสี่ขึ้นไปรู้แล้วทำอะไรก็เป็นการไปปฏิธรรมด้วยกันเลยแกพูดอย่างเงี้ยเออถ้าพูดได้อย่างงั้นก็เอาเลยศรัทธาหลวงพ่อไปคนเดียวกันแล้วกันไม่ต้องศรัทธาพระทุกลูกอาจารย์ทรงศีลก็ไม่ต้องมาเรียกเรียกหลวงพี่ถูกแล้วปรากฏว่าท้ายสุดเนี่ย อาตาาน่ยไปเยี่ยมกับอาจารย์หนุ่มนี่แหละวันที่ถึงคิวที่ต้องไปเททีฟังสวดมนต์ทอมวัดโดนพันเตเขาสั่งอาจารย์สุรทัศน์ในสมัยนะั้นใครป่วยใครเนี่ยไปเยี่ยมถึงกุฏิเลยนะแล้วก็ไปสวดมนต์ให้ฟังไปนั่งเททีฟังมีมีกิจกรรมแบบนี้ดนะ้ในสมัยก่อนนะไปเยี่ยมกันให้กําลังใจกันปรากฏว่า วันนั้นเนี่ยไปถึงแม่เมียนกนวดเท้าให้อจ้นะก็กําลังเพลินและแกร้องแบบเสียงหลงขึ้นมาว่าเฮ้ยยายาขอยาปวดแล้วเกินแกพูดอย่างปวดปวดนะยายาก็บอกภูพันแปลวที่แก่งคอเดี๋ยวคงจะมาร็อกนะขอเดี๋ยวหนึ่งทนหน่อยหนึ่งนะนะกรรมฐานรู้สึกตัวสิรู้สึกตัวแกยกมาแล้ขอร้องขอร้องอาจารย์ขอร้องขนาดนะ ปวดขนาดนั้นไหนก็ยังหันควับมาก่อนใส่ทาไมขอร้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถ้าเราไม่ชอบเราไม่อยากฟังเสียงเป็นอย่างนั้นเลยอัดมาเขาไม่พูดก็ได้ท้ายสุดนะว่าลองหาพ่อหาแม่ลองเสียงหลงกลัวแล้วเบื่อแล้วแหมวแล้วเก็ีดแล้วลองหน่าสิทธิหน่าเสียวเราก็ส่งอารมณ์ไปออบุญ น, นะบุญ น, นะที่เคยทํำระลึกบุญเนี่ยบุญที่เคยทําความที่ที่เคยทำํลลนนยทยท ำ, ม, ททำมงคลสานสิบแปดในกรนี้แบบนี้นะ ทำอะไรกับใครไว้ทําดีไว้ตรงไหนนึกตีตอนเนี่ยสติมันมาไม่ทนันก็ต้องอาศัยคนอื่นตักเตือนชี้นําโยมเห็นแล้วยอมลังใส่บาดอยู่มันจะเห็นได้ยังไงนะในความคิดชัดๆนะพระนั่งอยู่สองรูปมารับบาด ท, ที่ไหนตัวก็ น, นอนอยู่ไม่เห็นใส่บาดตรงไหนเลยในความคิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็พอที่จนะช่วยได้อยู่ แทนที่จะลองเสียงหลงแน่ซีดหนาเซียวกลัวก <neighborhood> ็กลายเป็นเออดีขึ้นมาเห็นแล้วกำลังใส่บาตอยู่กำลังทำอาหารให้พระยูแกก็พูดมาลักษณะนี้ท้ายสุดวันนั้นผู้พันอาไปส่งโรงพยาบาลเจ็ดวันั้นมาพปเยี่ยมฟ้องผู้พันจับหนูก็แทะกระเตียงเมื่อไหร่มันจะตายเมื่อไหร่มันจะตายหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตาย จักระแทกมาก็ว่วันนั้นนานมาเห็นเลยผู้พันเขาเกลียดที่ไหนแล้วก็ซื้อขนมครกมาฝากขนมครกซื้อมาฝากคนกรักเมียรว่าเมียชอบกินขนมครกเนียวันนะั้นนานมาก็เห็นผู้พันป้อนขนมครกทีละคู่ใส่ปากใย่โต้ยคุณนายพิมพ์ น, นันร้อนร้อนน ล, ลองนึกดูขนะนมครกทีละคู่ร้อนร้อนเกินตาเหลือกเลยละยมือคนรักกันน ออาาป้อ น, อ, นอาหารยามใกล้ตายเออก็เลยเป็นลักษณะของฆาตกรรมอำพรางได้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคนที่ร้ายที่สุดคนที่อยู่ ใ, ใกล้ตัวเราเนี่ยละแล้วคนที่ฆ่าเราได้คือความคิดของเราเนี่ละที่เป็นภัยร้ในตัวภัยวัาสงสารที่เราก็จะต้องฝึกหัดกรรมฐานเนี่ยช่วงท้ายแล้วนับถอยหลังเลยไม่กี่วันก็ จะเป็นวันท้ายสุตติยแดาาร์ใส่กิจกรรมกลางเต็นนะปฏิบัติธรรมกันไม่ต้องหันหน้าหันตาไปทางไหนไปทางอื่นเกินไหวรู้สึกตัวเข้าไปเดินจังกวมเข้าไปให้มาเห็นชัดๆจนกระทั่งนี่นะมันเป็นลนักษณะของการยาณปุตุชนคือสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้ชี้ทางสว่างให้กับตัวเองได้เห็นแล้วร่องรอยของตัวสติความสว่างสวัย ที่มีอยู่ในใจใจในใจที่เป็นใจภายในของเรานะีมันมีตัวนี้ซ่อนอยู่นะก็เรียกว่าพุทธะนะตาสติตาปัญญาตาพุทธะนะมันเปิดขึ้นมาลืมหูลืมตาขึ้นมาก็เห็นรูปธรรมนามธรรมนะเห็นแล้วนะของขันธ์หน้านะที่มเป็นความบริสุทธินะ์พระมาจันมันก็อยู่ตรงนี้แหลนะศีลก็จะนําสุขมาให้ศีลก็นกําโพกทรัพย์มาให้ศีลก็จะนําความเย็นมาให้ สีเลสุขติยันติสีเลนะ พ, ก, นะ le, นพกติสมุทัยสีเลเนวติยันตินะตรงนี้อยู่ตรงนี้คนะวามเป็นปกติสุขนะนะมันก็จะพาเราไปนะจะกระทังเหมือนกับว่าอเห็นลองเห็นลอยครูบาอาจารย์ของเราท่านะสอนตรงแทๆ้ๆนทะ้านไม่ได้โกหกไม่ได้ห ล, ลองลวงเลยเลยชี้ตรงไหนมันก็ใช่ตรงนั้นจริงๆ น, ะ เ, ปนเป็นเรื่องของนะคนที่เดินไปก่อน บอกคนที่กำลังเดินตามมารอยบุญรอยบาปรอยของมรรคของผลรอยสติรอยศีลสมาธิปัญญามันมีรอยอยู่รอยของความทุกข์เราเกลียดแล้วล่ะทุกข์ใจมันสร้างรอยไว้รอยทิมเป็นรอยประทับใจไม่ประทับใจรอยช้ำรอยที่เคยถูกคนอื่นทำกระทํากับเราลอยที่เราวางใจไว้ไม่ถูก เ, เกิดการหายศูนย์ขึ้นมาใจหายนะมันวางไว้ไม่ถูกที่ตอนนี้เราใจของเราวางไว้กับความรู้สึกที่ฐานกายตรวจใจมีสติอยู่กับกายกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนั่นแหละกายทําอะไรใจทําด้วยจึงนะนั่งมันเป็นความรู้สึกตัวที่หยาบจากานกระทํามัละเอียดเป็นความรู้สึกตัวตัวพร้อมนะตัวสารพางกายจนกระทั่งสติปัญญามันรู้รอบกองสังขารจริงนะกายจะสังขารจิตจะสังขาร สังขารที่เรียกว่าจิตต์สังขารแบ่งเป็นปุญญาที่สังขารและอปุญญาที่สังขารรอยบุนรอยบาปนะมันเป็นรอยที่ทำให้เราได้รู้จักเราโลกยกจิตของเราจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นไปจฉพาทังนะเป็นเรื่องของพระเรื่องของอริยะชนนะเรียกว่าไม่ชนกันด้วยปัญญาบางทีมันใช้ปัญญาและชนกันสองคนขึ้นไปกลายเป็นเทพบุูรทันทีนะมีร่องรอยของเทพบุตร เพราะนั้นผีนีกระสซือก็คือกระเสือกระสนกระสัดกระใสพวกที่ยังกระสัดกระสายกระเสือกระส น, นกลางคืนก็ไม่ยอมหลับยอมนอนนะ่ยว่าพวกผู้หญิงก็เรียกผีกระสือสมัยโบราณไปไหนก็ถือเทียนถือใต้เดี๋ยวนี้ก็ถือไฟฉายนั่นแหละผู้ชายเรียกว่ากะหังก็คือกะขอบก็เย็นกะหือลือมันเกิดกับเราไหมในจิตวิญญาณของเราไหมเพราะนั้นผีก็มีหน้าที่หลอกโดยเฉพาะนะไม่ได้มีหน้าที่ทําอะไร ทายสุดลองเห็นไหมลองดูเวลาหนังสือพิมพนะ์มีข่าวหน้าหนึ่งขึ้นมามันก็จะเอาปี๊บมาบังนะมีกล่องเอากล่องมาแล้วมีผนะ้ามีผ้ามาคลุมหลังจากทําผิดนะมีนักข่าวถ่ายรูปมาลงหนังสือพิมพ์เพื่อประจานนะปิดปิดบงับงบังอะไรผีทั้งนั้นเลย ย, เย่อเมย์ไม่ใช่อะไรดูไม่อยากไปไหนผ้าคุมหัวไม่ใครเห็นหลบในที่มืด การพฤติกรรมของผีนะคนชั่วก็ทำกันส่วนเร า, าไปไหนสง่างามอาหารมีไฟที่ไหนก็โชว์ที่นั่นพูดจาตรงไปตรงมาเพราะไม่ใช่เป็นกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติเห็นกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเวลามีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกันได้เห็นคนลนะนาทีก็เป็นเป็นพระใจดี เเป็นเทวดาเป็นพรหมก็จะมาช่วยเหลือเราทันทีนะ น, นั้นก็บอกถึงพบภูมินะวิธีคิดหรือว่าวิธีของความคิดนะมันก็จะพาไปสู่พบภูมิต่างๆมากมายเหลือเกินนะวิธีคิดแบบพระก็คือนะธรรมชาตนะิคิดพูดทำเป็นธรรมชาตินะจึงมีบทสนทนานะที่วันนี้นั่งสนทนากันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติตัวนี้นะอามาก็มองว่าภรรยาเคุยกันนะันะ่ะเก็ฟัง คนที่เป็นอระิยะอาจจะสูงสุดที่สุดนะนั้นท่านก็รู้ตัวท่านเองนะแต่ว่าเราก็ยกให้ท่านเป็นอริยะนะคุยบทสนนาแล้วก็ไม่ทุกนะเป็นเรื่องการระลึกอดีตหยิบอดีตมาพูดนะแต่เป็นอดีตที่เป็นความจริงนะมันไม่ใช่าปั่นเรื่องขึ้นมาปั้นน้ําเป็นตัวไม่ใช่นมะัเป็นอดีตที่มีเรื่องราวอย่างนี้อยู่จริงจริงแต่ว่าหยิบเอามาพูดคุยสนทนาเป็นธรรมชาติเฉยๆเรื่องนะั้นเรื่องนี้เรื่องนู้น เนการที่เราจะคุยกันนะคุยได้แต่ว่าเป็นความจริงไม่จะเป็นความคิดแล้วิาพากษ์วิจารณ์เนระื่อเป็นอารมณ์วิตกวิจารณ์ไม่ใช่แต่มันเป็นจําด้วยสัญญาบริสุทธินะ์ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้นเกิดขึ้นมาจริงๆนะแล้วก็สามารถสาวหาเหตุไดนะ้ผลมันเกิดขึ้นมาแล้วก็สาวหาเหตุได้นะอย่างเช่นสลาหอไต่เนี่ยสร้างมาจากเหตุว่ามันมีการเผาศพอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้เป็นที่อุจจารา คนเดินไปผ่านไป ผ, ผ่านมาระวาดกลัวช่างที่เขาสร้างเนี่ยเขากลัวมากๆนะแล้วก็อาถรรพ์ก็มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งยกเสาตัว น, นั้นนะมันเป็นเสาเอกบันฑิตยกเนี่ยพระธิดาเบอรใหม่ท่านก็นมาช่วยเหมือนกันเราก็มองดูว่าอันตรายละเสาหนักน้ําหนักขนาดนี้เป็นไม้เนื้อแข็งจะไม้ไผ่มาเป็นคํายันกันแล้วก็ ลักษณะเอาไม้ไผ่ที่เป็นไม้ไผ่เกานะ่าๆไม่ใช่ไม้ไผ่สดๆมันไม่ใช่ไม้ไผ่สดๆถ้าใช้เดี๋ยวมันจะหนักมันก็เอาไม้ไผ่เบาๆมาโผล่ๆนะแล้วมารับน้ําหนักเดี๋ยวละใดเรื่องพอใจมันคิดอย่างนั้นแวะปรากฏว่าพราะเข้าไปช่วยผลักแล้วก็อยู่ด้านหน้าสุดนะพอกขาผักเสรจิตเรารู้เลยว่าเดี๋ยวละอุบัติเหตุอันตรายพระรูปนี้บาดเจ็บแน่นอนก็บอกให้ออกไปออกไปตะโกนบอกไนงะ พระก็ไม่ไหวนะเธอซึมยืนเหม่อไม่ไวนะไม่เซ้นสิทิไม่ไมว่องไวเลยจิตขนาดมีคนมีพระก็เตือนมีประสบการณ์เตือนไม่ฟังมันก็ล้มมาทั้งสาวนะ่นะแล้วก็ล้มทับเต็มที่เลยเดชะบุญพระรุปนี้นะเดชะบุญสาวต้นเนี่ยมันไปทับต้นกล้วยก่อนต้นกล้วยมัน ก็ใหญ่ะนะมันก็ช่วยรับแล้วก็ที่เหลือมันทับกระดูกแตกเลยแต่ไม่ถึงกระขาสองต้นะถ้ามีต้นกล้วยรับก็แสดงว่ารูปนี้ขาเละกระดูกไม่เหลือเลยละนก็ก็เชือกันว่าอาถรรพ์ยต้อยบางทีคนงานก็ทํางานก็นอนเล่นตอนกลางวันก็เสียงตึ้งตึงตึ้งคนเดินช่างหน้าซีดหน้าเสียวเลยนะบอกยายต้อยหลอกว่างันบางทีก็ นมีเสียงนคนพูดบ้างอะไรบ้างก็ว่าจะต้อยพูดว่ากั้นว่าเขาเฮี้ยนว่ากั้นบางคนก็กลัวจนกระทั่งแหม่เล่าเรืออะไรต่า ง, า ง, างๆนานามากมายบางคนไม่น้อยก็ตีก็บอกว่าลากดึงลงเลยจากเตียงเลยก็ตีหลังไหนรู้เปล่าจะต้อยไปตายอะก่อนตายรู้เป่ะ <c oughs> พูดอย่างนี้ก็เสียวแล้วนะโยนนยายแต๋วอยู่ไม่ชี้แต๋ว คุณหน่อยยอมหน่อยก็อยู่หลังนั้นเป็นกุฏิที่ผู้พันผัวสุธิรักษณ์สร้างให้แล้วกุฏิไม่หมากสมัยนั้นชื่อคอนโดนะก็เรียกคอนโดว่ามันเราไม่เคยมีกุฏิสองชั้นอยู่ได้ทั้งบนทั้งล่างหลังคอนโดไม่หมากเป็นหลังแรกนะเป็นขุดผู้พันก็อยู่นะแล้วก็ยายต้อยก็อยู่เกตเเอวตอนเย็นๆก็ชอบตำน้ําพริกมากเลยนะแล้วก็ทอดปลาเค็มนะ เราทำบัตกกลิ่นกันลอยมาพระก็นั่งน้ําาลยไหลกันนะยมหิวข้าวบวใหม่ๆหิวข้าวนีมันก็เลยเป็นความหลากหลายของสุขตที่ทําให้เกิดความสนดุนขึ้นมาเป็นความแตกต่างเป็นอารมณ์ที่แตกต่างแล้วทายสุธรรมก็ยอมรับว่านี่คือครูธรรมะคนคนนายต้อยทายสุก็คือเขาเรียกว่าอาจารย์นวันที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเราก็ออเราเป็นอาจารย์ของเขาด้วยนะ ไม่ใช่หลวงพี่หลวงพี่หลวง พ, งพี่มันทุกครั้งที่เขาเรียกเพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้นะแล้วก็พึ่งคนที่เราหวังพึ่งไม่ไดนะ้วันนั้นนะบุคคลที่สามไม่มีความสําคัญนะใครก็ตามคือบุคคลที่สามที่อยู่ใกล้เราจะให้ความสําคัญเห็นคุณค่าอย่างมากคนวะนะามรู้สึกตัวก็เป็นอย่างนั้นวนะันไหนก็ตามที่เรานะไม่สามารถจะพึงนะ่งใครได้ทั้งหมดแล้วคนวะามรู้สึกตัวร่องรอยที่เราเคยฝึกนจะปรากฏออกมา อันนี้นมาเคยเห็นแล้ววันที่เคยนอนโรงพยาบาลแล้วก็หันไปซ้ายขวาพึ่งใครไม่ได้สักคนจิตของเราคิดแล้วว่าพ่อแม่เราก็ไม่พึ่งเพราะท่านมีงานของท่านอยู่ภระระยาเราก็ไม่พึ่งเพราะเวลานี้เป็นเวลาราชการต้องทํางานอยู่ส่วนลูกก็อยู่โรงเรียนยังเล็กอยู่เราก็พึ่งไม่ได้เพื่อนของเราพึ่งไม่ได้สักคนเพราะว่าเขากำลังทํางานเขาอยู่ทุกคนเลยเราก็จะต้องพึ่งตัวเราเอง เพรตรงนั้นเป็นลองลอยความรู้สึกตัวทำให้นึกถึงผ้าเหลืองก็เกิดบุญผ้าเหลืองขึ้นมา เ, นเกิดการบวชในวันนั้นนั่นเองคิดว่าจะต้องบวชแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่พึ่งใครได้แม้แต่คนเดียวยลองรอยความรู้สึกตัวที่เคยฝึกมามันปรากฏมันเป็นความปกติหมอพยาบา ล, ลก็ไม่คิดว่าจะได้พึ่งนะเพราะว่านอนโรงพยาบาลแล้วก็ป่วยหนักปาเก่านะอย่างนีนะ้ก็จึงเป็นเรื่องที่นะความรู้สึกตัวไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เสีย ขณะที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวน้ำประทับลงไปแล้วเป็นล่องรอยหองความรู้สึกตัวที่วันใดวันหนึ่งที่เรานอนแล้วก็ทุกที่สุดเหมือนมืดที่สุดบ๊อบแบ่แบ่งฟ้ารู้สึกตัวปรากฏขึ้นมันอะไรก็คือการที่พึ่งของเราที่พึ่งมันปรากฏอ้ให้เราได้รู้จักว่าแม้แต่น้อยนิดมันก็เป็นแสงสว่างทําให้เราเหมือนกับเห็นทาง ที่เราจะต้องดําเนินต่อไปนะตั้งแต่วันนั้นไม่ต้นมาก็เลยคิดว่าการบวชนี่สําคัญและการตั้งความสึกตัวมีความสําคัญสุดๆนะจนัึงวันนี้ก็ยังยืนยันว่าความสึกตัวที่เกิดจากรูปแบบนะอันนี้สําคัญแต่พอทำเป็นนอกรูปแบบแล้ว น, ะนอกรูปแบบนะสติมันจะบอกเองว่าคืออะไรนะเป็นความสึกตัวทั่วพร้อมอย่างนี้นนะประเดันเห็นว่าตอนนีนะ้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะ เ, เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่ได้พูดมา ก็จับเอาสาระที่เป็นประโยชน์ไปใช้อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นน้ําก็ไม่ต้องรับไปอะไรที่เป็นเนื้อเนื้อก็นำไปปฏิบัติกันต่อต่อไปก็ขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นนะการมาปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งของทุกนะช่วงท้งชีวิตเรามีแต่ความสุขเสกษมสารโดยตัวหน้ากันทุกตันทุกคนนั้นเติ